มันเป็นการตั้งหลักเพื่อจะให้เราตั้งหลักสติให้มันเกิดขึ้นพราะสติเกิดเนี่ยอะไรอะไรมันก็หายไปหมดแล้ะเสียวเวลาไปคิดสิ่งเหล่านี้แล้วก็งัวนอนไม่หลับมีประโยชน์อะไรเพราะนั้นปีหน้าปีไหนจะเป็นยังไงไม่สาคัญหรอกวันนี้เราทำให้ดีซะวันนี้ทาให้ดีทาให้ดีที่สุดนะวันนี้ดีเนี่ยวันนี้แหละก็คืออดีตของพรุ่งนี้เราทำวันนี้ดีซะ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 ในจิตใจเราแม้ว่าภาัยข้างนอกอาจจะเกิดขึ้นถึงอะไรก็ตามแต่ถ้าเรามีสติเอาไว้ควบคุมภายในใจพิษภัยต่างเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำใจใเราเป็นทุกข์ได้เนี่ยเราทำอย่างนี้ดีกว่าให้ทานรักษาศีลเจริญสติอยู่หนึ่ ง, งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกนันในอันจิตใจฟังดูแล้ว <c oughs> ดูดีนะคะแต่ก็เหมือนจะเหลือเชื่อนะคะว่าแค่เรา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 จิตใจจะมีความมั่นคงแล้วก็มั่นใจต้องทดลองดูนะอย่าเชื่อเด <laughs> ี<อ>๋เอาไปทดลองแล้วเราจะรู้ว่า <c oughs> อ๋อ น, นอกจากจะไม่กลัวภัยแล้วเนี่ย <c oughs> ชีวิตเรายังเปลี่ยนไปในทางดี <c oughs> ใช่ไหมมีความเปลี่ยนไปมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการใช้ชีวิต <c oughs> ต้องทดลองดูฟังแล้วคิดแล้วนั่นเป็นเพียงแค่ความฝัน <c oughs> เราต้องเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงลองปฏิบัติดูสิสักเจ็ดวัน